45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิ พ, สพ น, สนสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกคราวนี้ก็ถึงกิจยานความรู้ในกิจหน้าที่ที่พึงทม คือเมื่อรู้สภาพของอริยสัตว์ทั้งสี่นั้นตามเป็นจริงแล้วก็รู้สื่อไปว่าทุกนั้นควรกำหนดรู้คือควรกำหนดให้รู้ว่าเป็นทุกเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรสมุทัยนั้นควรละคือสลับให้พ้นไปนิโรดนั้นควรทำให้แจ้งมครคนอบรมให้มีให้เป็นขึ้นนี้เรียกว่ากิจจายรู้ในกิจ คือในหน้าที่ที่ควรทำในอริยสัจทั้งสี่นั้นหมายความว่ารู้หน้าที่อันควรปฏิบัติในธรรมะแต่ละข้อการปฏิบัติของคนที่ยุ่งเหยิงกันอยู่ก็เพราะเหตุว่าปฏิบัติไม่ถูกหน้าที่ยกเฉพาะอริยสัจสีนี้หน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในทุกก็คือกำหนดให้รู้ทั น, นว่าเป็นทุกหน้าที่ที่ควรจะปฏิบัติในสมุทัยก็คือละดังกล่าวแล้ว แต่คนเราไปปฏิบัติทรัพย์กันดังเช่นคนที่มีความทุกโศกอย่างหนักเพราะปราดทัาไม่ได้สมหวังเป็นคนจนทางเข้าบางทีก็ทําอั ต, ตวินิบาตกรรมตัวเองนี้เรียกว่าทําผิดหน้าที่ของธรรมะเพราะว่าร่างกายของตัวเองที่ตัวเองฆ่าเสียนั้นจัดเข้าในทุกข์ขัดจักรคืออยู่ในหมวดทุกข์ที่ท่านว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ดังที่แสดงแล้วเกี่ยวแก่ร่างกายนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กําหนดรู้เท่านั้นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้สอนให้ละคือฆ่าตัวเองลงไปสิ่งที่ท่านสอนให้ฆ่านั้นคือสมุทัยตัณหาได้แก่ตัณหาที่เป็นตัวเหตุอันมีอยู่ในใจของตัวหรือผู้รวมรวมว่ากิเลสเป็นความปรารถนาอยากได้ต่างๆหรือว่าจะพูดอย่างกว้างๆ ว, ว่าโลภโกรธ หลงก็ได้ตัวสมุทยัยท่านสอนให้ละเมื่อจะฆ่าก็ต้องฆ่าสมุทยัยไม่ใช่ฆ่าร่างกายในเรื่องสามัญอื่นๆก็เหมือนกันอย่างเช่นว่าเมื่อเกิดเรื่องกระทบกระทั่งโกรธแค้นขัดเคืองกันก็นกทุบตีทำร้ายร่างกายกันนี่ก็ทำผิดหน้าที่เหมือนกันร่างกายที่ทุบตีทำร้ายกันนั้นเป็นทุกขะสัจจะเพราะร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ในหมวดทุกที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กาหนดรู้ท่านไม่สอนให้ไปทุบตีทำร้ายกันท่านสอนให้ทุบตีทำร้ายโทสะคือความโกรธในใจของตัเองนั่นแหละเมื่อเกิดความโกรธขึ้นก็ให้ทุบตีทำร้ายตัวความโกรธในใจคือให้ละความโกรธนั้นเสียถ้าจะทำร้ายก็ทำร้ายความโกรธไม่ให้ใครไปทำร้ายร่างกายของใครเพราะฉะนั้นถ้ารู้หน้าที่ของธรรมะ ปฏิบัติให้ถูกหน้าที่ของธรรมะเรื่องเดือดร้อนก็ไม่มีส่วนนิโรษนั้นท่านสอนให้ทาให้แจ้งคือเมื่อได้ปฏิบัติจนได้รับความสงบของ จ, จิตใจสงบจากความยิ่งรนทยานอยากก็ให้กําหนดดูให้รู้จักตัวความสงบนั้นไว้แล้วคอยพ่อพูนอยู่บางทีเราไม่ค่อยสนใจกับความสงบแต่ความจริงทุกๆคนจะต้องมีความสงบอยู่เสมอเป็นครั้งเป็นคราว เพราะว่าพิเลธเช่นว่าตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากปรารถนานั้นไม่ใช่ว่าจะมีครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาถ้าครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาแล้วจะหาความสงบไม่ได้จะพักผ่อนหลับนอนไม่ได้ใจจะยุ่งอยู่กับอารมณ์ที่ดิ้นรนที่ยึดถืออยู่แต่ที่เราพักผ่อนได้มีความสุขได้ก็เพราะเหตุว่ามีเวลาที่จิตใจมีความสงบเพราะฉะนั้น ก็จะต้องให้คอยสังเกตดูให้รู้จักตัวความสงบที่เราได้รับอยู่ทั้งที่ได้รับโดยปกติทั้งที่ได้รับโดยการปฏิบัติให้รู้จักหน้าตาของความสงบอยู่เสมออย่าละเลยไปเสียเพราะอันนี้แหละเป็นผลที่จะทำให้จิตใจได้รับความสุขและคอยรักษาความสงบนั้นไว้คราวนี้มัจหน้าที่ที่จะปฏิบัติในมัจ ก, ก็หมายความว่า จะต้องปฏิบัติทำให้มีขึ้นพิจารณาดูได้ในองค์ทั้ง8ปดนั้นที่เราเองว่าตัวของเราเองมีอยู่เพียงไรแล้วก็ต้องอบรมให้มีขึ้นอบรมความเห็นชอบความดําริชอบพูดชอบทำการงานชอบอาชีพชอบเพียรชอบละลึกชอบตั้งใจชอบให้มีอยู่เสมอถ้าเราตรวจดูที่ตัวเราเองอยู่เราก็จะรู้ เว้นไว้แต่จะละเลยไม่ตรวจโดยมากเรามักจะไปตรวจข้างนอกไปดูว่าคนนั้นผิดคนนั้นชอบแต่สำหรับในด้านคดีธรรมนั้นท่านมุ่งให้ตรวจดูเข้ามาข้างในให้ดูตัวเองอยู่ว่าอะไรของเราผิดอะไรของเราชอบแล้วก็ต้องพยายามละส่วนที่ผิดให้หมดไปปฏิบัติส่วนที่ชอบให้มีมากๆขึ้นนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทาในมักมีองแต รู้ในกิจคือหน้าที่ที่กล่าวมานี้เรียกว่ากิจจยานเมื่อได้ปฏิบัติในกิจคือหน้าที่ในอริยสัจทั้งสี่นี้สำเร็จบริบูรณ์แล้วก็รู้เป็นกัตตยานคือความรู้ในการทำกิจสำเร็จต้องถึงขั้นนี้จึงจะเป็นความรู้ที่สมบูรณ์ถ้ายังไม่ถึงกัตตยานความรู้ยังไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัต จนบังเกิดความรู้ถึงขั้นกตยา น, นี้จึงได้ชื่อว่าพุทธะผู้รู้ที่บริบูรณ์ผู้รู้ที่สมบูรณ์เพราะเหตุว่าได้ทรงกําหนดรู้ทุก์ได้แล้วละสมุทัยได้แล้วทําให้แจ้งนิโรธแล้วปฏิบัติในมรรคบริบูรณ์แล้วทรงเป็นผู้เสร็จกิจจริงๆอริยสัจทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สรุปธรรมทั้งหมดท่านแสดงว่าเหมือนอย่างรอยเท้าช้าง เป็นที่รวมของรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในโลกเรียกชื่อตามกิจคือหน้าที่ในอริยสัตว์ทั้งสี่นี้ก็ได้ธรรมะเป็นสี่หมวดคือหนึ่งปริญญาธรรมธรรมะที่ควรกําหนดรู้ได้แก่พวกทุกข์สัตว์ทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายหรือสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดรวมเข้าในหมวดนี้ที่แสดงไว้ในนวโกวาาก็ได้แก่ ธรร ม, มะหมวดขันธ์อายาต น, นะธาตุเป็นต้นทั้งหมด 2. ปหาตัประธรรมทมที่ควรละได้แก่กิเลสทั้งหมดที่แสดงไว้ในนวา ก, กวาดก็เช่นอกุศ ล, ลมมลสมนิวรห5มุนถินเกอุปกิเลส16รวมความว่าผู้กิเลสและอกุศลธรรมทั้งหมด 3. ส, สัจจิกาตัปปะธรรม ทำที่ควรทำให้แจ้งได้แก่ผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหมดเช่นอุปสมะความสงบระงับแผงใจสพาเวตพัทธธรรมทำที่ควรอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้นได้แก่ทำปฏิบัติทุกๆอย่างในนวโกวาทตั้งแต่ทุกกะหมวดสองไปที่เป็นข้อที่สอนให้ปฏิบัติธรรมก็รวมเข้าในหมวดนี้ทั้งนั้น ข้อที่ควรทราบเบ็ดเล็ดอีกอย่างหนึ่งคือในปฐมเทศนานี้ตอนแสดงทุกขสัตว์ไม่กล่าวถึงพยาธิความป่วยไข้ว่าเป็นทุกข์เพราะเห็นว่าได้รวมไว้ในคำว่าทุกขะคือทุกขกายในคำว่าโศกปริเทวทุกขะโทมรัสสตุปายาสนั้นแล้วแต่ในที่มาบางแห่งได้แสดงว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์และตัดคำว่าโซกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาเสียเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปทถมเทศนาแล้วท่านแสดงว่าธรร ม, มจักสุขคือดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่พระโกนทัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าของภิกษุปัญจวคีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคำนี้บ่งว่าท่านได้เห็นทุกสัตว์แจ้งขึ้นเพราะความหมายของทุกประการที่หนึ่งคือสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้อันหมายถึงว่าสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับเมื่อท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านก็ขอบวชต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสอนุญาตว่าเอหิภิขุ จงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกโดยชอบเถิดด้วยพระวาจาเพียงเท่านี้ก็เป็นอันว่าท่านได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าและอุปสมบทอย่างนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาแปลว่าการอุปสมบทด้วยพระพุทธวาจาว่าจงเป็นภิกษุมาเถิด พระสูตรนี้ท่านเรียกว่าธรรมาจักรกับวัตนสูตรแปลว่าพระสูตรที่แสดงถึงเรื่องการยังจกักรคือทำให้เป็นไปเทียบกับจักรของพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดนั้นท่านแสดงว่ามีรัตนเจ็ดได้แก่จักรรัตน์จักรแก้วหัตถิรัตน์ช้างแก้วอสสรัตน์ม้าแก้วมณีรัตน์มณีแก้ว อิทธิรัตนะสตรีแก้วกหาตฏิรัตนะเครือหบดีแก้วปรินายกรัตนะนายกแก้วเป็นเครื่องทำให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นเจ้าโลกเทียบในปัจจุบันก็หมายความว่าถ้าจะมีอุปกรณ์และบุคคลอันใดที่จะทำให้ใครๆมีอำนาจหนือบุคคลทั้งโลกจนเป็นเจ้าโลกได้ก็พอเรียกว่าเป็นรัตนได้ความคิดว่า จะต้องมีเจ้าโลกได้มีมาตั้งแต่ดึกดำบันในบัดนี้ก็พยายามที่จะเป็นกันอยู่ก็สุดแต่ว่าใครจะมีอะไรเหนือคนทั้งโลกในรัตนาเจ็นนั้นจั ก, กรรัตนาของพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นตูวอำนาจสำคัญที่ทำให้เป็นเจ้าโลกถ้าจะเทียบกับในทางบ้านเมืองก็หมายถึงว่าอาณาจักรคือชาติไหนจะเป็นประเทศชาติของตัวขึ้นก็ต้องมีอาณาจักรคืออำนาจ พระพุทธเจ้าจะตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นก็ทรงเริ่มด้วยการแสดงปฐมเทศนาเท่ากับว่าทรงตั้งพุทธจักรขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยปฐมเทศานานี้แต่ว่าจาักรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อำนาจทางโลกหมายถึงธรรมทรงตั้งพุทธจักรขึ้นด้วยธรรมเป็นอันเริ่มตั้งขึ้นด้วยปฐมเทศานานี้อนันตะละกนสัสตร เมื่อท่านพระอัญญากลทัญญาได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้เป็นพระภิษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาแล้วพระบรมสัตตดาได้ตรัสอบรมอีกสี่รูปด้วยธรรมะเบตเลตต่างๆต่อมาท่านวัปปะและท่านพัทธิยะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขออุปสมบทก็ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับท่านพระอัญญากลทัญญาพระพุทธเจ้า ได้อบรมอีกสองท่านท่านที่ได้อุปสมบทแล้วสามท่านก็เป็นผู้ไปบินทะบาทมาเลี้ยงรวมกันทั้งหต่อมาท่านมหานามะกับท่านอัสติชิก็ได้เกิดดวงตาเห็นธรรมและได้ทูลขออุปสมบทก็ได้รับการอุปสมบทเช่นเดียวกันแต่ในอัตถกถาได้กล่าวว่าท่านวัปปะได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทในวันแรมหนึ่งค่ำท่านพัทิยะ ในวันแรมสองค่ำท่านมหานามะในวันแรมสามค่ำท่านอัสัชิในวันแร ม, มสี่ค่ำสู่ในชั้นบาลีได้กล่าวไว้เป็นคู่กันดังที่เล่ามาทีแรกเมื่อท่านทั้งห้าได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทเป็นภิกษุเรียบร้อยพร้อมกันแล้วในวันแรมห้าค่ำแห่งเดือนสาวนะที่ตรงกับวันแรมห้าค่ำเดือนแปตามที่นับในประเทศไทย พระบรมศาสดาก็ได้ทรงแสดงพระสูตรที่สองอันเรียกว่าอนัตตะลคะนาสูตรแปลว่าพระสูตรที่แสดงลักษณะคือเรื่องกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนพระสูตรนี้มีใจความโดยย่อดังต่อไปนี้ตอนที่หนึ่งพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ว่าเป็นอนัตตามิใชัยอัตตาตัวตนถ้าทั้งห้านี้พึงเป็นอัตตาตัวตนทั้งห้านี้ก็พึงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็จะพึงได้ในสูตรทั้งห้านี้ว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุว่าทั้งห้านี้มิใชัยอัตตาตัวตนฉะนั้นทั้งห้านี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลก็ย่อมไม่ได้ ในส่วนทั้งห้านี้ว่าขอให้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตอนที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัจสอบความรู้ความเห็นของท่านทั้งห้านั้นตรัสถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านทั้งห้าทูลตอบว่าไม่เที่ยงตรัสถามอีกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ท่านทั้งห้ากราบทูลว่าเป็นทุกข์ก็ตรัสถามต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแรปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือจะเห็นสิ่งนั้นว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นตัวตนของเราท่านทั้งห้าก็กราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นตอนที่สามพระพุทธเจ้าได้ตรัสสรุปลงว่ารูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้านี้ที่เป็นส่วนอดีตก็ดีเป็นส่วนอนาคตก็ดีเป็นส่วนปัจจุบันก็ดีเป็นส่วนภายในก็ดีเป็นส่วนภายนอกก็ดีเป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนละเอียดก็ดีเป็นส่วนเลวก็ดีเป็นส่วนประนีก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีอยู่ในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมดก็สักแต่ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญา เป็นสังขารเป็นวิญญาณคุณเห็นด้วยปัญญาชอบตามที่เป็นแล้วว่านี่ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นี่นี่ไม่ใช่ตัวตนของเราตอนที่สี่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงผลที่เกิดแก่ผู้ฟังและเกิดความรู้เห็นชอบดังกล่าวมานั้นต่อไปว่าอริยสาวกคือผู้ฟังผู้ประเสริฐซึ่งได้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมเกิดนิพพิทา คือความหมายในรูปนัยในเวทนานัายในสัญญานัายในสังขารนันยในวิญญาณเมื่อนายก็ย่อมสิ้นราคะคือสิ้นความติดความยินดีความกำหนดเมื่อสิ้นราคะก็ย่อมวิมุตติคือหลุดพ้นเมื่อวิมุตติก็ย่อมมีญาณคือความรู้ว่าวิมุตติหลุดพ้นแล้วและย่อมรู้ว่าชาติคือความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำเพื่อความเป็นช น, นิดอีกต่อไปพระธรรมสังคาหากาจารย์หรือพระอาจารย์ผู้ธทมสังขยานาร้อยกรองตั้งเป็นพระบาลีไว้ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายพระสูตรว่าเมื่อท่านทั้งห้าได้สดับสูตรนี้จบแล้วก็มีใจปติสมนัดแนบแน่นจิตของท่านทั้งห้าก็พ้นจากอาสวะกิเลส คือได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งห้ารูปพระสูตรที่สองนี้มีใจความดังที่ย่อมาก่าวนั้นแต่ก็ควรทำความเข้าใจสืบต่อไปจุดมุ่งของพระสูตรนี้ต้องการที่จะชี้อนัตตาเพราะได้มีความเข้าใจในเรื่องอัตตาที่แปล ก, กันว่าตัวตนและมีความเชื่อมั่นกันอยู่หลายอย่างแต่เมื่อสรุปแล้วก็มักจะมีทิฏฐิคือความเห็นกันอยู่สองอย่างคือ สัสตตติทิทิความเห็นว่าเที่ยงอย่างหนึ่งอุดเฉทิฐิความเห็นว่าขาดศูนย์อย่างหนึ่งสัสตตตทิฐิความเห็นว่าเที่ยงนั้นคือเห็นว่าในปัจจุบันชาตินี้มีอัตราคือตัวตนเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตราคือตัวตนก็ยังไม่สิน้นยังจะมีสืบพบชาติต่อไปมีชาติหน้าเรื่อยไปไม่มีขาดศูญแปลว่า มีอัตตาคือตัวตนยืนที่ตลอดไปนี้เรียกว่าสัสจะทิฏฐิคือความเห็นม่ดเที่ยงส่วนที่มีความเห็นว่าขาดศูน์อันเรียกว่าอุดเฉดทิฏฐินั้นคือเห็นว่ามีอัตตาตัวตนอยู่แต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้นเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วอัตตาตัวตนก็สิ้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะให้ไปเกิดดังที่เห็นว่าตายศูญนี่เรียกว่า อุดเฉดทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูญในทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าความเห็นทั้งสองนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดทั้งสองอย่างคือเห็นว่าเที่ยงก็ผิดเห็นว่าขาดศูนย์ก็ผิดเพราะทางพระพุทธศาสนาไม่ยอมชี้ว่ามีอะไรเป็นอัตตาคือตัวตนที่จะให้เป็นที่ตั้งของอุปท า, านคือความยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อยังมีอุปท า, าน คือความยึดถืออยู่ก็ยังไม่สิ้นกิเลสและสิ้นทุกขเพราะความยึดถือนั้นเป็นตัวกิเลสแต่ว่าไดแสดงเป็นหลักเหตุผลในปฏิจจสมุบบาทยกมากล่าวเฉพาะที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อยังมีอวิชชาเป็นต้นก็ยังต้องมีชาติคือความเกิดเมื่อสิ้นอวิชชาเป็นต้นก็สิ้นชาติคือความเกิ ด, ากาากดทางพระพุทธศาสนาแสดงเหตุผลดังนี้และไม่ชี้ด้วยว่า จะเป็นชาติอดีตชาติอนาคตหรือชาติปัจจุบันสุดแต่ว่าจะยังมีเหตุมีผลดังกล่าวนี้สัมพันธ์กันอยู่อย่างไรเท่านั้นการเมื่อไหร่ไม่เป็นข้อสำคัญสำคัญอยู่แต่ว่าเมื่อยังมีเหตุก็มีผลเมื่อสิ้นเหตุก็สิ้นผลคราวนี้ผู้ที่ยังมีความเห็นว่ามีอัตตาคือมีตัวตนนั้นจะเป็นอัตตาคือตัวตนเฉพาะในปัจจุบัน หรือจะสืบต่อไปในอนาคตก็ตามก็จะต้องมีความเห็นสืบต่อไปว่าอะไรคืออัตตาตัวตนโดยมากนั้นย่อมมีความยึดถืออยู่ในรูปบ้างในเวทนาบ้างในสัญญาบ้างในสังขารบ้างในวิญญาณบ้างว่าเป็นอัตตาคือตัวตนรูปนั้นก็ได้แก่รูปกายทั้งหมดที่ประกอบด้วยอาการต่างๆทั้งภายนอกทั้งภายใน ดังที่เรียกว่าอาการ31หรือ32หรือจะแยกให้ละเอียดไปกว่านั้นในทางสรีระวิทยาก็ตามหรือว่าจะกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่มหาพูดรูปพูดที่เป็นใหญ่มุ่งถึงส่วนที่เป็นท่าทั้งสี่และอุปาถายรูปรูปอาศัยเช่นประสาทต่ตางๆที่อาศัยอยู่กับรูปใหญ่นั้นก็ตามทั้งหมดรวมเรียกว่ารูปเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า รูปขันแปลว่ากองรูปหรือหมวดรูปเพราะว่ามีลักษณะอาการมีส่วนประกอบมากมายด้วยกันตามตำราสั์เล่าว่าครั้งเดิมทีเดียวคนเราสังเกตเอาว่าเมื่อหัวใจยังเต้นตุบๆุบอยู่ก็ยังมีชีวะหรือยังมีอัตตาตัวตนอยู่เมื่อดับลมหายใจเสร็จแล้วก็สิ้นชีวะอัตตาตัวตนก็ดับจึงเรียกลมหายใจว่าอัตตา ในสันสกฤตเรียกว่าอาตามันบาลีก็เป็นอัตตาอาตามันนี้ก็ไปตรงกับศัพท์กริยาในภาษาเยอรมันแปลว่าหายใจเหมือนกันแล้วก็เขียนอ่านว่าเป็นอาตามันเหมือนอย่างสันสกฤตนี้แสดงว่าคนครั้งดั้งเดิมนั้นเข้าใจว่าอัตตาก็อยู่ที่ลมหายใจนี่แหละตั้งชื่อเรียกว่าอาตามันมาตรงกับบาลีว่าอัตตา นี่เข้าใจแต่รูปเท่านี้นหนึ่งก็เข้าใจว่าอัตตาจูดที่เวทนาเวทนาก็ได้แก่ความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเวทนามีมากด้วยกันจึงเรียกว่าเวทนาขันกองเวทนาคือว่าเมื่อรู้จักคิดเข้าก็คิดสื่อไปว่าลำพางรูปแม้จะยังหายใจอยู่ ถ้าไม่มีเวทนาก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างไรแต่ว่าเพราะมีเวทนานี่แหละจึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ฉะนั้นจึงได้เลื่อนความเข้าใจว่าอัตตาคือตัวตนนั้นก็ได้แก่เวทนานี่เองเพราะว่าเป็นสภาพที่คอยกินสุขกินทุกข์และก็แปลอัตตาว่าผู้กินอันหมายความว่ากินสุขกินทุกข์ก็ได้แก่เวทนานี่เอง